วันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่เราได้มาฟังธรรมกันท้องฟ้าก็เปิดสะดวกก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาตรวจทานนะเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเป็นไงนะดูว่าอาริยมรรคมีองค์แปด ที่พรเจ้าวางไว้เราบกพ่องไหมเหมือนพระที่ท่านสวดปฏิโมก15สิบห้าวันจะสวดครั้งหนึ่งมาเช็คดูว่าสินสอง้อยี่สิบเจ็ดเนี่ยสองอยี่บเจ็ดข้อไหนบกพ่องก็มาสารภาพมาปรงอบัตหรือแสดงอบัตกับพระเพื่อนพิสุว่าผมผิดข้อนั้นครับผมได้ละเมิดนะ บางครั้งก็มีเจตนาบางครั้งก็ไม่ได้เจตนาก็เพื่อให้ความสบายใจเหมือนกันเราก็เช็คดูว่าศินห้าที่พระเจ้าวางไว้อุบาสกอุบาสิการเราบกพร่องไหมเราก็ต้องชาระกันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะว่าณนะเวลานี้ชั่วโมงนี้จิตเรายังเบียดเบียนคนอื่นอยู่ไหมเมื่อไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วเนี่ยห้าข้อที่รับสินใยก็เพื่อไม่ให้ไปเบียดเบีย น, ยนสัตว์ ถ้าสัตว์รักของเขาผิดลูกผิดเมียพูดปลดหรือสุราเนี่ยถ้าเราเป็นพุทธบริษัททั้งสี่แล้วเนี่ยสินห้าต้องต้องผ่าน น, นี่เหมือนกันพระที่ท่านลงปฏิโมกุโ บ, โบสดสินหรือว่าลงสวดปฏิโมกสองรอยี่สิบเจ็ดเนี่ยก็เพื่อดูว่าข้อไหนมันบกพ่องท่านก็เช็คดูเมื่อไม่มีท่านก็ไม่ต้องแสดงข้อนั้น นี่ถ้าฝึกดีแล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติดูที่จิตเนี่ยกิเลสมันจะมาทีละเรื่องไม่ใช่มาทีละสามตัวราคะโทสะโมหะเหมือนกันศีลก็การที่จะละเมิดแล้วก็มีมาทีละข้อเหมือนกันไม่ใช่มาทีสอง้อยิบเจ็ดนะอย่างโยนะมาถวายแต่มาถ้ายังไม่ประเข็ญไปฉันก็เป็นอบัติตาจิตตีเนี่ยคือให้ระวังเฉพาะหน้าเนี่ยมันวัดกันตรงที่ว่าใครจะมีหิริโอตปะมากกว่ากัน ถ้ามีฮิเดโอตปะแล้วเนี่ยก็ไม่มีความหมายนะคนคนนั้นก็คือว่าเนี่ยจิตเขาพ้นเจตนาที่จะละเมิดแล้วแต่บางคนนี่ยังไม่ไว้ใจตัวเองก็ต้องสมาทานขอจากพระไปก่อนนะถ้าปฏิบัติเข้าถึงแล้วเนี่ยอาการิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการคือรับร <c oughs> ับจากพระครั้งเดียวก็จบกันนะ แล้วก็ข้อไหนบกพ้องเราก็สํารวมระวังต่อไปนี่พระเจ้าก็บอกให้เราเนี่ยทบทวนดูว่าพิจารณาอยู่เนืองนิดท่านกระเตือนพระพิสุหรือว่าคารวาสเนี่ยพูดบริษัททั้งสี่ว่าวันคืนผ่านไปผ่านไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่ให้เตือนตัวเองบ่อยๆเวลามนุษย์มันสั้นมาก เราต้องพิจารณาอยู่เนืองนิดว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาการพัดภ้ากันนี้เราพัดภาคอยู่ตลอดเวลานะเราออกจากบ้านนี่ก็ถือว่าได้พัดภ้าพัดออกจากบ้านมานี่ก็ถือว่าพัดภาคชนิดหนึ่งเราก็กะว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วฟัวงธรรมเสร็จแล้วเราต้องกลับบ้าน ทุกคนก็ตั้งเป้าธรรมาก็ตั้งว่าเดี๋ยวจะเดินทางกลับประจวบคืนนี้แต่น้อยคนที่จะคิดแล้วถ้ามันไม่ได้กลับอะถ้าเกิดตายซะกอ่อนหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรเขาปรท้วงปิดส น, นุนไม่ได้กลับเราจะวางจิตยังไงดีนี่แต่วัดกันตรงนี้ว่าเราเผื่อไว้บ้างไหมเหตุการณ์ข้างหน้าอนาคตอันใกล้อะไรจะเกิดขึ้นโดยมากเราไม่ค่อยคิดกันใช่ไหมวงการเราอยู่ใน วงการของนักปฏิบัติหรือว่าวงการของพระพิสุสงฆนะ์เราก็ต้องได้เจอเรื่อ ง, ท, งทั้งที่เรื่องดีเรื่องไม่ดีมันเป็นปกติของโลกเขามันเป็นเช่นนั้นเองนะฮะถ้าเราไม่รู้ธรรมเช่นนั้นเองเนี่ยตาตาพระเจ้าบอกใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราใครเห็นเราคนนั้นเห็นตาต า, ต า, ต า, ตาแปลว่าเช่นนั้นเองโลกเขาเป็นอยู่เช่นนั้นเองถ้าเรายังภาวนาไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องออกไปวิตกวิจารณ์นะ นี่ให้เข้าใจว่าเราปฏิบัติก็เพื่อเข้ามาดูจิตดูใจตัวเองนะอย่าไปแก้ที่เหตุการณ์ภายนอกอย่าไปแก้คนอื่นเราแก้ไม่ได้นี่วงการพระศาสนาอดีตที่ผ่านมาอดีตอันไกลสมัยพุทธกาลก็ดีปัจจุบันก็ดีที่กำลังเกิดเรื่องกันอยู่อนาคตอันใกล้ก็ดีที่จะมามันก็ต้องมีอย่างนี้แหละถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็วางใจได้สบายไม่ต้องไปวิตกวิจารให้เสียเวลา ถ้าเราเกิดทันสมัยผู้เจ้าเนี่ยก็หนักนะพระเทวทัตคิดจะฆ่าพู้เจ้ายุให้พระเจ้าเล่าศัตรูฆ่าพ่อเห็นไหมหนักยุคนั้นแล้วก็นางกินจะมาอะไรมาแกล้งผู้ทธ่เจ้าทําเป็นท้องอยู่แปดเดือนเหมือนมากแต่มานึกถึงว่าปุถุชนเนี่ยถ้าไม่ฝึกภาวนาแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมน่าดูวันหนึ่งสร้างกรรมเยอะโดยเฉพาะกายกรรมอ่ัจจีกกรรมกับมโนกรรมการคิดผิดเป็นเรื่องปกติของปุถุชน ถ้าไม่ฝึกมาแล้วเนี่ยมันจะอดไปวิตกวิจยัยไม่ได้ตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยทั้งที่ว่ารู้ไม่จริงเนี่ยไปคิดแล้วเนี่ยมันเป็นกรรมแเ้าเรียกว่ามโนกรรมเมื่อมโนกรรมคิดผิดแล้วก็พูดผิดอีกพระเจ้าถึงได้บอกว่าสัมมาวาจะข้อที่สามมรรมีองแปดถ้าเป็นผู้บริษัทแล้วเนี่ยพุทธบริษัทเราจะรู้ว่าสิ่งใดควรพูดสิ่งใดไม่ควรพูดสิ่งใดควรละสิ่งใดควรเจริญ นี่เรื่องที่เกิดมาก็ให้เข้าใจว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะฮะตอนนี้ข่าวพระเยอะนะนี่ให้เข้าใจว่ากฎอันนี้จังมันไม่เที่ยงมันไม่แน่ถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยเราจะอดเข้าไปมีส่วนร่วมกับท่านไม่ได้นี่คำพูดของพันธุไวหลางพระจีนท่านบอกว่าเมื่อคนอื่นเขาทำผิดเราไม่ควรเอาใจใส่ถ้าเราเข้าไปวางจิตไม่ได้เรามีส่วน ร่วมความผิดกับเขาเลยนะมันช็อตเหมือนเราไปจับไฟเนะี่ยถ้าไม่มีตัวตัดเนี่ยมันช็อตถึงใหญ่เลยที่เรามาฝึกทุกวันนี้ก็คือให้มีตัวตัดตัดยังไงก็คือสติเนี่ยแหละที่เราฝึกคือว่าจะาย้ำเตือนนักหนาว่าให้มีสติอยู่ตลอดสัมปัญญะคว า, ารมรู้สึกตัวถ้าเผลอเมื่มอไหร่เนี่ยอาวิชามันลากออกไปปรุงแต่งนะเอาวิชาปัตจัยสังขาราเอาวิชาเป็นเหตุให้เกิดความคิดปรุงแต่ง ถ้าคิดดีก็รอดตัวไปทางเย็นนะแต่ถ้าคิดไม่เป็นล่ะ <c oughs> เห็นอะไรก็สักแต่ว่าไม่เข้าไปวิตกวิจารณ์ตรงนี้แหละเป็นนิพพานนี่เขาเรียกว่าวางจิตเป็นอุบเบกขาแต่ถ้าเราฝึกไม่ถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> มันอดที่จะเข้าไปวิตกวิจารณ์ไม่ได้นะจิตนิ่งจะเห็นสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นจิตไม่ตั้งมั่นจะเห็นเป็นเช่นนั้นไม่ได้ นี่การจเจริญสติสัมชัญญะก็คือเนี่ยให้มีความเพียรอยู่ตลอดการทำความเพียรที่ครูบาอาจารย์บอกให้มีความเพียรเยอะๆมีความเพียรต่อเนื่องก็ตรงนี้แหละต้องกระติด น, นอนมายันหลับว่าเราเผลอไหมถ้าสติขาดตอนไหนความเพียรเราก็ขาดไปแล้วตอนนั้นถ้ามีสติระลึกได้ตอนไหนนั่นแหละความเพียรก็มาทีนี้เรา ยังทำทั้งผิดทั้งถูกยังเผลอมัง่งก็เป็นธรรมดาเพราะอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าพอนะฮะจะไล่ภูมิของพระโสดา บ, บันเขาเรียกโลกุตละธรรมท่านสมบูรณ์ด้วยศีลแล้วนะศีลท่านบริสุทธิ์แล้วปิดอบายภูมิได้แล้วแต่สมาธิท่านยังอ่อนอยู่นะสติสมาธิยังอ่อนอยู่สมบูรณ์ด้วยศีลพอประมาณด้วยสมาธิพอประมาณด้วยปัญญายังมีราคะโทสะโมหะโลภกดห ล, ลงอยู่ แต่อาศัยอยู่ในอานชีพสุจริตไม่ทุจริตนี่มันต่างกันตรงนี้เมื่อเจอเหตุการณ์ภายนอกก็ต้องหวันไหวไปธรรมดาพระอานนต์นโมยมก็รู้จักอุปถาคพุทธเจ้าอยู่เมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาฟังให้ดีนะภูมิโสดาบันก็ยังวันไหวอยู่เพราะยังมีตัณหามะนะทิฐิอาศัยอยู่แต่มันเริ่มเบาบางลงไปมั่งแล้วพุทธเจ้าบอกว่าอีกสามเดือนข้างหน้าพระองค์จะละสังขาร วานน์ได้ฟังเนี่ยนะเสียงก็ทบหูเท่านั้นแหละร้องไห้ทุกทันทีเลยใช่ไหมสติมันไม่ทันเมื่อสติไม่ทันอวิชามันเข้ามาอวิชาตัณหาอุปทานตัณหาแปลว่าการมาตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาโดยเฉพาะสองข้อภาวะตัณหาวิภวะตัณหาความต้องการและไม่ต้องการ เมื่อหูได้ยินผู้เจ้าบอกว่าอีกสามเดือนเราจะละสังขารเท่านั้นแหละพระ น, นลร้องไห้นี่มันทํางานไม่ถึงห้าวินาทีกิเลสต้องการให้ผู้เจ้าอยู่ไม่ต้องการให้ผู้เจ้าตายละสังขารเห็นไหมต้องการให้ข้าพระ อ, องค์บรรลุก่อนไม่ได้เลอพระ อ, องค์ค่อยละสังขารเห็นไหมกิเลสมันไวมากแต่ถ้าเรายังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเราก็ต้องหวั่นไหว นี่ในพระสูตรภาษาริบุตรท่านบอกว่าผู้ที่ยังมีตัณหามานะทิฐิอาศัยอยู่ย่อมมีความวันไหวความวันไหวย่อมไม่มีกับผู้ที่ไม่มีตัณหามานะทิฐิอาศัยอยู่เมื่อความวันไหวไม่มีย่อมไม่มีความเพลิดเพลินเมื่อไม่มีความเพลิดเพลินย่อมอยู่อย่างสงบระงับนี่ขั้นขั้นขั้นขั้นสุดท้ายไม่วันไหวแล้วคือมันละอัตราตัวตนไปแล้วเนี่ยขอเป็นคู่จะไม่มีอยู่ใน จิตทั้งละความกลัวความกล้าความเกลียดความชังยินดียินไล่ไม่มีนี่เพราะอะไรเพราะเมื่ออัตตาหมดไปแล้วมันก็อยู่เหนือโลกเราเรียกโลกกวิทูเป็นผู้อยู่เหนือโลกถ้าถึงได้บอกว่าถ้าต้องการเป็นโลกกวิทูก็ให้จะเจริญสติกําหนดรู้อยู่กับปัจจุบันธรรมถ้าจเจริญสติอยู่กับปัจจุบันธรรมก็โอโหสิกกรรมกันไปในตัวเพราะระหว่างอยู่ปัจจุบันเนี่ย กายกรรมวิจีกรรมโมโหกรรมเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเลยตรงนั้นแหละเรากำลั ง, งดําเนินอยู่แล้วที่พระอริยเจ้าเขานาเดินกันเนียหลวงปู่ท่านก็บอกว่าหลวงปู่ดุลถ้าเขาทาําวามนักปฏิบัติถ้าเขาทาําวามสงบเงียบเว้นจากความคิดปรุงแต่งได้เสียขนาดหนึ่งนั่นแหละเขากำลั ง, งดําเนินอยู่แล้วเพราะอะไรความคิดเนี่ยมันจะพาเราไปสร้างภพทุกความคิดที่เกิดขึ้นคือการสร้างชาติภพเลยคิดดี ก็เป็นกุศลคิดไม่ดีอกุศลและอยู่เฉยๆเป็นพุทธะรู้ตัวทั่วพร้อมถ้าไม่รู้เป็นโมหะถ้ารู้เป็นพุทธก็แค่นี้และถึงเขาให้เน้นกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆความรู้สึกตัวอวิชามันกลัวหลายนะมันจะตายถ้าเราไม่ปรุงไม่เผอไม่ใส่ใจกับปรากฏการณ์ที่ได้เจอจิตเป็นกลางอยู่เสมอเผอไม่มีปรากฏการณ์ที่จะมีข่าวข่าวที่เราได้รับทราบมาเนี้ย เราเข้าไปอินกับมันเยอะไหมนะนี่ให้เข้าใจว่าสังคมของผู้มีกิเลสก็ต้องมีเรื่องอยู่อย่างนี้ตลอดทุกเดือนนะทุกอาทิตย์ก็ได้ทุกสองปีจะมาทําสติไว้พระต้องมีเรื่องข่าวค่าวเรื่องพระแม้กระทั่งอัตมาก็ไม่แน่นะโยมอย่าเพึ่งไปเชื่อครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าไม่ตายคาพ้าเหลืองอย่าพิ่งไปเชื่อกันรับประกันได้เฉพาะวันนี้โอ้วันนี้ท่านเทศดีนะท่านท่า น, ท, านท่านอยู่มานานแล้วเนี่ย แต่พรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะศึกก็ได้เนี่ยเพราะมันในประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามนี่ถ้าไปอยู่ที่เบสเขาบอกว่าบวชแล้วห้ามศึกนะนี่ประเทศไทยเขาไม่ได้ห้ามโยมไม่ได้ศึกษาตรงนี้เนี่ยหลักอันนี้จังผู้เจ้าบอกมันไม่แน่นี่เราผู้เจ้าบอกเอาทําเป็นที่พึ่งอย่าเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งเลยเอาตนเป็นที่พึ่งอย่าเอาคนอื่นเป็นที่พึ่งถ้าเราไปยึดกับใครมากเนี่ยมันก็อดไม่ได้นะที่จะต้องเกิดวันไหวก็ธรรมดาผู้เจ้าบอกให้หากัญยมิตรใช่ไหมละ่ะ ครูบาอาจารย์เราก็ต้องเกล้าครูบาอาจารย์เป็นธรรมดาธรรมมาเคยไปจีนหนังสือเรื่องหนึ่งเขาเขียนไว้ว่ากับูเขียนได้ดีนะทํามาก็สงสัยเอ๊ะทำไมครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนเพื่อนมันน่าจะเปรียบสูงวันนั้นนี่ในหนังสือก็บอกว่าพุทธเจ้าเปรียบเหมือนพ่อพระธรรมเปรียบเหมือนแม่พระ อ, อริยสงฆ์เปรียบเหมือนพี่นี่นะพ่อแม่พี่อยู่ในสายเลือดแต่ครูบาอาจารย์เนี่ยยังไม่เข้าสายเลือดก็คือยังไม่เข้าโลกุตละมีสิทธ ลงนรกได้ถ้ายังไม่เข้าโลกุตละเขาเรียกว่าโลกีถึงจะมีอภิญยาลุเวลาจิตเหอเหินเอากาศเนี่ยถ้ายังละอัตราตัวตนสักกายาทิฏฐิไม่ได้เนี่ยเขาเรียกโลกียะอยู่ยังไม่เข้าโลกุตละนี่ยังไว้ใจกันไม่ได้นอกจากโสดาบันเท่านั้นแนหะถึงจะตายใจได้นี่สามีภรรยาลูกเต้าเนี่ยเราทําประกันไว้เงี้ยลูกมันอาจจะคิดไม่ดีก็ได้ใช่ไหมเพราะ ถ้าศีลห้าไม่บริสุทธิ์เนี่ยท่านเข้าไม่ถึงกระแสโซดอรบันท่านบอกว่าอย่าไปเ ช, ชื่อตายจันใจไม่ตายใจกันไม่ได้เลยนี่ครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนเพื่อนเห็นไหมต่อมาโอ้ท่านเปรียบไว้ดีพ่อแม่พี่นี่ครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนน้องอะแสดงว่าท่านท่านเข้ากระแสแล้วนี่เป็นแค่เพื่อนอยู่นี่ให้เข้าใจว่าถ้ายังไม่ถึงโสดอรบันเนี่ยอย่าเพิ่งไปเชื่อกันเนี่ยเพราะว่ามันมันสามารถหักหลังฆ่ากันได้ บทสวดเมื่อกี้นี้ที่เราได้สวดกันไปนะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเขาว่าอย่างไงได้พิจารณาบ้างไหมโดยเฉพาะสังฆคุณท่านบอกว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วหมู่ใดปิบัติสมควรแก่ทําแล้วเห็นไ่มท่านบอกให้หมู่นะไม่ใช่ว่าสงสารวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหมดทั้งปวงปฏิบัติดีแล้วไม่ใช่ จะมาอยู่ในสายวัดป่าในวัดนั้นก็เข่งคัดก็มีองค์หนึ่งที่ท่านตั้งใจดีหมู่เพื่อนจะรู้กันอีกสองคนไม่ไหวเนี่ยก็คือขีดสามสามารถมีจํากัดก็ไปได้แค่นี้อีกองค์หนึ่งเออมีมี ม, ม, ม, มีมีหวังมรรผลนิพพานก็เหมือนฟุตบอล น, นะเราไปหวังศูนหน้าสามารถยิงให้ได้เงี้ยเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันสงสาวกของพระผู้มีพระภาคย้าหมู่ใด ปฏิบัติดีแล้วในในประเทศไทยเรามีหลายสายถ้านับดูแล้วเกือบสิบสายนะทุกสายก็เพื่อมรักผลนิพพานก็พูดว่าเนี่ยทางส ต, ติปัฏฐานสี่ทางสายเอกมันจะไหลไปรวมกันที่เดียวนิพพานแต่ธรมาบอกไม่ไหลนะถ้ามันปฏิบัติไม่ถูกหรือว่ายัางละส ก, กายยะทิฐิไม่ได้ศีลยังไม่วิสุทธ์เนี่ยมันก็ไม่ไหลนะนึกถึงครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศ ท่านก็ตั้งใจจริงจงังฝึกกับหลวงปู่มัน่นแต่จิตมันไปติดอยู่ในฌานอยู่สิบกว่าปีเห็นไหมมันไหลไหมล่ะปติ ป, ปฐานสี่เหมือนกันหลวงตามหาบัวติดอยู่ห้าปีแล้วมันไหลไหมถ้าหลวงปู่มั่นไม่แก้ให้ท่านบอกว่าผมต้องเวียนไหวในภพทั้งสามไปติดอยู่ในอารูปผมคิดว่าฌานเป็นสมาธิไอ้ฌานเป็นนิพพานแต่หลวงปู่มั่นบอกว่ามันเป็นสมุทัยทั้งแท่ ง, ทงเดี๋ยวถ้าฌานเสื่อมเมื่อไหร่ ชาเนี่มันยังอยู่เหนกดไตายักอยู่ชาจะเลืินชาจเสื่อมแต่ยานเนี่ยมันไม่เห็นแจ้งแล้วมันไม่เสื่อมมันอยู่เหนือกดไตายักนี่จะพูดไปแล้วโยมก็อย่าทอนะเพราะว่าทุกคนก็มีสิทธิ์บรรลุได้แต่ว่าถ้าทําถูกนะถ้าทําผิดแล้วมันก็เสียเวลาลุงตาติดโลกียะอยู่ห้าปีติดโลกุตระอยู่แปดเดือนเข้าใจไหมต้องติดก่อนนะ่ะ นะเราไม่เคยเดินทางไงก็ต้องหลงเป็นธรรมดาแต่ว่าใครจะหลงช้าหลงไวอีกเรื่องหนึ่งนะโลกีติดอยู่ห้าปีติดอยู่ในธรรมาธิในฌานโลกุตระอนาคาหลวงปู่ท่านบอกว่าเหตุต้องละผลต้องละกามโกรธกลัวไม่มีแล้วละเหตุได้แต่ไปยึดผลว่าเราสบายแล้วตอนนี้เรากามไม่มีเลยกลัว กลัวก็ไม่มีไปอยู่ตรงไหนอยู่เหนือหมดแหละเทวดาอินพรมส่งสัตว์อะไรเนี่ยไม่หวั่นไหวเพราะเห็นทุกอย่างเป็นธาตุแล้วเนี่ยเหตุต้องละผลต้องละแต่ละเหตุได้แต่ไปยึดผลเขาถึงได้บอกว่าอนาคามียังคาอยู่ชั้นสุทาวาสไปไม่ได้ยังมีอวิชชาตัวสุดท้ายนี่มันละเอียดไหมแต่ขั้นนั้นท่านไม่มีเจตนามานะสําคัญตนว่าดีกว่าเขาเสมอเขาเลวกว่าเขา ท่านไม่มีเจตนาเพราะมันละเอียดมองไม่เห็นแต่ว่าไอ้มานะขั้นต้นๆสําหรับเราปุถุชนเนี่ยมันขั้นเรื่องแต่เพื่อพอ ก, กพอกภูมิเกเรศสำคัญว่ารวยว่าเขาสวยว่าเขาหล่อว่าเขามีเงินเยอะว่าเขาอะไรเงี้ยมันเรื่องของอวิชชาทางนั้นเลยทั้งๆที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าในสติปัฏฐานสี่ก็รู้กันอยู่แล้วว่ากายเวทนาจิตธรรมลงท้ายด้วยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาบทสวดมนต์ตอนเช้า ที่ <c oughs> ที่เราเคยสวดทาตุมัตตะโกรปรเจเวกขณะสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสัตว์แต่ว่าท่าตามธรรมชาติเท่านั้นไม่ใช่เป็นสัตต่ว่อันยั่งยืนนิชีโวไม่ใช่เป็นสัตต่ว่อันเป็นบุรุษบุคคลสุนโย ว, ว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนขันทั้งห้าเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่ามันเป็น มายามันเป็นปลายับแดดเป็นฟองน้ํามันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพราะเอาวิชาที่เราไม่รู้ไปยึดถือกันนี่ปุถุชนด้วยกันเนะี่ยยึดถือมันก็ถึงเรืเป็นกรรมกันแก้ไม่ได้การพุทธเจ้าแตสรุ้ใหม่ๆท่านท้อพระไถยเห็นไหมโอ้มันเรื่องไม่มีเนี่ยนี่เรามาอยู่โลกสมมติเข้าใจไหมมันสมมตินะไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเราจริงเนี่ยแหละมันพูดยากถ้าคนนั้นไม่มีบา ร, รมีพอแล้วเนี่ย ยากที่จะเข้าถึงนะถ้าไม่สะสมมาเขาเรียกว่าพุทธาภาวะทุกคนมีจิตที่จะเป็นพุทธะอยู่แล้วแต่เพราะความโง่เขาที่ไม่รู้เท่าทันอวิชชาก็เลยให้พาไปยึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อไม่รู้ก็เป็นกรรมกันเนี่ยแหละมันถึงได้ว่าน่ากลัวมากสำหรับปุถุชนที่ไม่มีสินห้าเนี่ยพึะเจะาถึงได้วางสินห้าไว้ไงว่าไม่ให้เบียดเบียนกัน ตอนพระเจ้าเทศให้พระอัญญาโกธัญญะฟังปัญจวัคคีทั้งห้าองค์แรกได้ดวงตาเห็นธรรมนพระเจ้าดีใจและได้เพื่อนว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาไปเห็นกฎไตหลักพอพระอัญญาโกทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพระเจ้าดีใจเออเธอรู้แล้วหนอพระเจ้าได้เพื่อนและคุยกันรู้เรื่อง อีกสี่คนยังนั่งมึนตืบอยู่เลยเนี่ยฟังอยู่แต่มันเข้าไม่ถึงใจมันไม่ไม่ไม่ไม่โผงขึ้นมานะนดวงตาทำดวงตาที่สามยังไม่เกิดนี่เราฟังกันมาเยอะแล้วเนี่ยบางคนอาจจะเกิดแล้วก็ได้อาจจะจิตภูมิสูงกว่าพระก็ได้เพราะไม่มีใครสามารถรู้ได้เราจะรู้ได้เฉพาะตนเขาเรียกปัจจตังนะถ้าโยมเข้ากระแสโสดาบันเขาก็เรียกสั ม, มณะเหมือนกันนะ ก็คือเป็นผู้ที่ไม่เบียดเบียนเป็นผู้ที่สงบออกจากเรียนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถึงขั้นสกทาอนาคาร์เนี่ยมันจะอยู่ลาบากเพราะสมมุติตัวนั้นนะคนไม่รู้รอบข้างจะเป็นกรรมหนักถ้าถึงให้มาบวชนะถ้าเป็นพระนั้นเนี่ยคนไม่กล้าวิจารณ์ไม่กล้าว่าเพราะอะไรแม้กระทั่งพระมหากษัตริย์ราชามหากษัตริย์ก็ยังกาบยังเคารพอยู่นี่สมมติตัวนี้มันสาคัญเหมือนกัน บางคนเข้ามาบวชแล้วเนี่ยก็สำรวมตั้งใจดีแต่ถ้าอยู่คารวาสินห้าสินแปดมันอาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะแลสมมุตินี่ก็เหมือนกันนะแต่มานึกถึง <c oughs> ครูบาอาจารย์ที่ท่านสึกไปหรือว่ามีปัญหาก็ตรงนี้บางทีมีชื่อเสียงมากดังมากไม่มีเวลาให้ตัวเองนะยังทำไม่เสร็จกิจท่านก็เลยเห็นโทษของการที่ว่าเนี่ย คุกคีกับพิสุหรือญาติโยมมากเกินไปเวลาตัวเองไม่มีเหมือนพัดลมเนี่ยให้ความเย็นคนอื่นแต่ตัวมันร้อนท่านก็หาวิธีจะทํายังไงให้ตัวเองเย็นก็นึกถึงวัดป่าสารวัลสมัยนั้นอดีตเคยอ่านหนังสือเจอหลวงปู่บัวทองถ้าจําไม่ผิดท่านอยู่วัดป่าสารวัลหลวงพระพุทธท่านเรามันมีสององค์นะที่กระดูกเป็นพระธาตุหลวงปู่บัวทองกับหลวงปู่อีกองค์หนึ่งท่านเป็นพระเทระ นี่เจ้าคนะจังหวัดอยากจะให้ท่านไปเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งทุกคนก็เห็นด้วยว่าคุณสมบัติท่านพร้อมที่จะเป็นครูบาอาจารย์ได้ท่านไม่เอาอ่ะนี่ทางครูบาอาจารย์ก็เหมือนจะบีบให้ท่านรับตาแหน่งท่านเลยขอสึกเลยทุกคนก็งงตกตาลึงเหมือนกันนี่ทำไมถึงศึกบวชมาตั้งเยอะท่านหวังมะผลนิพพานน่ท่านต้องการเวลามันเหลือสั้นแล้วท่านก็อายุเยอะแล้วศึก แล้วก็บวชใหม่ลบสมมุติซะเพราะถ้าเป็นเถระแล้วเนี่ยเนี่ยต้องไปเป็นเจ้าว่าถ้าศึกใหม่ศึกและบวชใหม่เป็นพระใหม่ไปไหนไม่ได้ต้องเรียนนั้ว่ากะใหม่เห็นไหมท่านฉลาดลบสมมุติตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาเพราะต้องการมะผลนิพพานแล้วบวชเพื่อต้องการมะผลนิพพานไม่ใช่เพื่อเป็นเจ้าสํานักนูน้นให้คนมาศรัทธาหรือว่าแก่ลัทธินู้นลัทธินี้อะไรพวกนี้ท่านบอกว่าบวชเพื่อดับกิเลสเท่านั้นนี่ท่านเล่นอย่างงี้เลยเหมือนกัน ว่าอาจารย์เขเวสโกที่มีเรื่องที่เราเคารพนับถือท่านก็มีเหตุผลของท่านนะนี่เราอย่าเพิ่งไปสรุปในสิ่งที่เราไม่รู้จักพอทุกคนจะมีเหตุมีผลนะเรื่องเราเรื่องใหญ่นะเรื่องคนอื่นเรื่องเล็กถ้าเราไปเสียเวลาจิตเราก็เศร้าหมองด้วยนี่ทำยังไงให้กลับคืนมาสู่สภาวะที่ไม่ถูกกุุงแต่งให้ไหวจิตของผู้ที่ยังฝึกไม่ถึงขั้นแล้วเนี่ย ท่านบอกว่าทิฏฐิวิสุทธ์ไล่มาเรื่องศีลวิสุทธ์จิตวิสุทธ์ทิฏฐิวิสุทธ์กังขาวิสุทธ์มรรควิสุทธิ์ญาณทนาวิสุทธิ์ส่วนมากนักปฏิบัติเราจะมาตายกันเรื่องทิฏฐิแม้กระทั่งพวกพระเนี่ยก็ยึดถือว่าเราเป็นพระป่านะเราเป็นธรรมยุทธ์นะนั่นเป็นนิกายนะอะไรเนี่ ย, ยกิเลสมันออกทํางานตลอดเพราะทิฏฐิยังวิจารณไอ้นี่ดีไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดเนี่ย ที่แต่มาเคยเขียนว่าทิฏฐิวิปาจะวิจาร์ไม่หยุดทิฏฐิวิสุทธ์จะหยุดวิจารณ์นี่เราห ย, หยุดวิจารณ์กั น, กนหรือ ย, อยังเนะ่ยเรื่องที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาก็ทุกพอแล้วจะเอามาให้ปัจจุบันเราเสียทําไมท่านบอกไม่รู้ละ่ะถ้างโง่ความทุกข์ก็เกิดเนถ้าไม่ถ้าไม่ไมงโง่ความทุกข์ก็ไม่เกิดที่หลวงปู่ พ, พุทธทาท่านพูดไว้เป็นก่อนได้ดีความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่งโง่เรื่องพสรษ ภาษาก็คือเนี่ยตาได้ยินหูได้ฟังเสียงเนี่ยเราดูโทรทัศน์ดูข่าวหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ปรุงไหมกลับมาดูย้อนใจว่าไปเสียเวลากับมันกี่นาทีเรื่องที่เราเจอทิฐิวิปลาดจะวิจารณ์ไม่หยุดทิฐิวิสุทธ์จะหยุดวิจารณแล้วจิตเราเป็นกลางเป็นอุเบกขาได้ไหมได้ไหวไหมเขาวัดกันตรงนี้นะผู้ที่จะเป็นอริยะบุคคลจะเข้าถึงนิ้ผ่านต้องทําจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งเหมือนกันทั้งหมดเลย ทั้งนักบวชทั้งคารวะต่างกันว่าใครจะวางจิตให้เป็นอุเบกขาได้ไหวฝักกันเวลาเจอปัญหาตรงนี้แหละนะเมื่อฝึกจิตจนเป็นอุเบกขาธรรม ท, ทัตตะก็จะมาปรากฏให้เห็นถ้าวางอุเบกขาจิตยังไม่เป็นจะเห็นเป็นเช่นนั้นเองไม่ได้เลยต้องเป็นอุเบกขาก่อนถึงจะเห็นธรรมขั้นสูงทุกอย่างมันเป็นเช่นนั้นเองนะสมมุติว่าถ้าเรายังไม่มาเกิด เราอยู่ในท้องแม่หรือเป็นเทวดาโลกเขาก็เป็นอยู่เงี้ยลบลาข่าฟันภาคใต้กับข้ากันอย่างเงี้ยแต่เวลาเรามาได้รับทราบปุ๊บกิเลสตัณหาต้องการไม่ต้องการมันมีอยู่ก็ต้องโอดไปวิตกวิจารณ์ไม่ได้เห็นไหมนี่เราฝึกกันมานานแล้วน่าจะน่ะน่าจะกิเลสเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วไม่ใช่ไกลเวลาตากระทบรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยมันทํางานนานไหมให้ดูกันตรงนี้นะ ถ้าสติสมาธิเราอ่อนเนี่ยกิเลส จ, จะเกิดไวและดับช้าแต่ถ้าสติสมาธิเราแก่กล้าแล้วเนี่ยกิเลส จ, จะเกิดช้าและดับไวมันวัดกันตรงนี้เองนะความทุกข์จะไม่โผ่ถ้าไม่โง่เรื่องภาษะความทุกข์โผไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องภาษานะภาษาก็คือเนี่ยตาเห็นรูปเราต้องเจอทุกวันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตื่นนอนมาเลยเนี่ยมันเริ่มทํางานตลอดถ้าเราไม่มีสตินะ จะเข้าห้องน้ำน้ำไม่ไหลเริ่มกุนหญิตแล้วเปิดไฟไฟเสียไม่ติดเนี่ยมันทำงานตลอดถ้าเราไม่มีคอยทมเรืองดูมันนะมันมานได้ทั้งอายนตะหกตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ให้เช็คดูนยะต้องกระตื่นเช้ามาเนะี่ยถ้าสติสมาิสมา ธ, มาธิหรือสัมพชัญญาเราดีเนี่ยสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้นานก็จำได้นะต้องกระเช้าตื่นมา ไล่ตั้งหกโมงยันเจ็ดมงเนี่ยก็เช็คดูว่าความเป็นกลางของจิตยังปกติดีอยู่หรือไม่ชั่วโมงที่สองปกติยังไงก็คือจิตไม่มีอารมณ์ยินดียินไล่ไม่เหนี่ยวเอาใครมาเป็นอารมณ์สัญญาแปลว่าคว า, ามจําสังขารปรุงแต่งไม่ทํางานเพราะอะไรเพราะมันอยู่กับปัจจุบันสังขารมันจะออกทํางานได้ยังไงนี่รู้สึกตัวทําอะไรก็รู้อยู่เฉพาะหนะ้าเขาเรียกครบองคนะ์สามหยิบของร่างกายเราหนึ่งแล้วจิตรับรู้เนี่ยมันก็จะมี จะมีเรื่องอะไรมันเป็นแค่กิริยาเฉยๆมันยังไม่เป็นกรรมเนี่ยประทานกิริยากรรมถ้ามีเจตนามีตัวกูผู้กระทาแล้วเนี่ยมันจะเป็นกรรม <c oughs> ท่านบอกว่าเจตนาเป็นตัวศีลตัวกุศลอย่าให้มีประทานตัวตนเข้าเชียวหนาไม่เช่นนั้นจะต้องเกิดไปรับกรรมที่ทำมาให้เป็นอยู่กับกิริยาที่ไร้ผู้กระทำ ระหว่างที่เราจเจริญสติรู้ตัวทั่วพร้อมเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ชัดไม่มีความคิดปรุงแต่งนะปลอดความคิดนะการที่จะปลอดความคิดได้ออกจากความคิดได้มีทางเดียวกลับมาดูการเคลื่อนไหวจะมาใช้คำว่ารู้วัละกายกับพิพตายกแขนเดียวซ้ายเลยขวารู้หมดเลยนะสติ เหมือนกล้องวงจรปิดคอยจับดูอยู่พวกโยมทําอะไรจะเห็นชัดเนะี่ยคอยเฝ้าดูพฤติกรรมของการเคลื่อนไหวแล้วแล้วขนาดนั้นมันมีเรื่องอะไรไหมบุญก็ไม่ทากรรมก็ไม่สร้างแล้วมันเป็นอะไรนี่แหละที่พระริยเจ้าเขาอยู่กันแล้วที่ตลกมันเคยเอามาพูดเป็นธรรมะขั้นสูงเวลาว่างคุณทําอะไรอีกคนบอกว่าสวดมนต์อีกคนบอกว่าอ่านหนังสืออีกคนบอกว่าทาํความสะอาด แต่อีกคนบอกว่าเวลาว่างฉันจะไม่ทําอะไรเลยทําไมถ้าทํามันจะไม่ว่างเห็นไหมจิตมันจะกลับสู่ธรรมชาติเดิมของเขาก็คือสุญญตาว่างเปล่าจากความหมายคําว่าว่างนี่มันมันหมดเลยไม่มีสมุติบัญญัติอะไรเลยเนี่ยเขาเรียกว่าวิมุติและกันวิมุติแปลว่าหลุดพ้นจากสมุติชั่วข่าวนี่เราวันๆอยู่กับมันได้ไหมก็ให้เช็คดูนะณชั่วโมงนี้ความเป็นกลางของจิตเรายังปกติดีอยู่หรือหนอณชั่วโมงนี้ ความปรารถนาดีก็ต้องปล่อยวางเนี่ยคิดดีนึกถึงคนอื่นเนี่ยจิตมันก็ไปแล้วมันเสียฟ้าเป็นกลางไปแล้วณนะชั่วโมงนี้ขอเป็นพระอริยะเจ้าดีฝ่าชั่วโมงหน้าค่อยว่ากันเราฝึกเป็นอริยะเจ้าได้ทีละขณะทีละเชิญห้านาทีสิบนาทีที่เราทรงอยู่ได้เป็นยังไงก็คือรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเขาเรียกว่าอิริยะ บ, บพผะอริยะสัมภาชนญะบับพะ ถ้าอยากเป็นอริยะก็ให้อยู่กับอิริยาบถเขียนเหมือนกันด้วยถ้าอยากเป็นพระโสดาบันก็ให้อยู่กับปัจจุบันนะีที่พระเจ้าบทสวดก็มีอยู่ถ้าใครเห็นธรรมที่ปรากฏเฉพาะหน้าไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรเพิ่มภูอาการเช่นนั้นไว้เห็นปะ่ะคืออยู่ให้ให้นานเพิ่พูณให้มากขึ้นสภาวะ น, นี้ยที่ไม่ถูกปุ้งแต่งสมมาจิตเราจะไม่ว่างเลยต้องเหนียวอะไรมาเป็นอารมณ์แม้กระทั่งพุโทโธพุทโธนี่ก็เป็นความคิดฝ่ายกุศลเห็นปะ่ะ จิตมึงก็ยังไม่ว่างยังยังมีงานทำอยู่แต่เราไม่ค่อยเห็นกันกุศลก็เห็นชัดจิตเราโกรธอารมณ์มีอารมณ์น้อยใจเสียใจนี่เขาเรียกอากุศลกุศลเราก็ต้องรู้คิดเรื่องปรุงแต่งเรื่องนี่แหละกับการทำบุญการสร้างกุศลทอดกระถินพระป่านีเขาเรียกคิดดีแต่ถ้าไม่คิดละ่ะตรงนี้แหละจิตอยู่กับอีดีาบทนี่ะตรงนี้แหละ ที่พระเจ้าท่านถึงได้พูดเป็นสุภาษิตรหรือว่าพระสูตรบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้สึกตัวอยู่กุศลและธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นอกุศลและธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเห็นไหมถ้าเราไม่รู้สึกตัวนี่ อ, อวิชชาหรือว่าอากุศลมันครอบงําเราอยู่เป็นปกติก็ถึงได้ว่าความคิดผิดมันเรื่องปกติของปุถุชนแต่การคิดถูกนี่มันผิดปกติ เพราะว่าการที่เห็นแล้วไม่เข้าวิวิตกวิจารณน้อยที่จะวางอุเบกขาได้นะนี่ให้เข้าใจว่าเนี่ยสงสาวกของพ่ะผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่มีปัญหาจําไว้ที่มีปัญหาเพราะมันไม่ถูกต้องเราก็เลือกนะมันมีให้เลือกเยอะนี่ในประเทศไทยมีหลายสายมีหลายนิกายนี่จะนิกายไหนก็แล้วแต่เนี่ยให้ย้อนกลับมาอยู่ปัจจุบันหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเนี่ยไม่มีนิกายไม่มีธรรมยุทธ ปัจจุบันเท่านั้นวิสุทธิเห็นไหมระหว่างอยู่ปัจจุบันเนี่ยความคิดมันดับหมดคิดดีคิดชั่วไม่มีเนี่ยแหละที่พระอริยเจ้าขอนำเดินกันกดไตรักทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้จังแปลว่าไม่แน่นอนไม่เที่ยงทุกขังทนอยู่ไม่ได้อนตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อวานนี้โยมทำอะไรจาได้ไหม เมื่อวานวันพุธวันพุธที่แล้วจําได้ไหมเดือนที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยมันหายไปแล้วขนาดหนึ่งออกกับบ้านก็หายไปทีละขณะหายไปฉากหนึ่งฉากหนึ่งแล้วมันมีอะไรที่เหลืออยู่ก็คืออุปทานที่เรายึดกันว่าเราได้เราเสียนี่พระรยาเจ้าท่านเห็นขั้นสูงจิตภูมิพระรยาเจ้าท่านเห็นพวกเราเหมือนการ์ตูนน่ะท่านเห็นว่าการ์ตูนนี้มันไม่มีสาระอะไรมันเขียนแล้วเป็นภาพเด็กดูแล้วมันมันสนุกมันจริงจังอ่ะ นี่เรามาหลงโลกสมมุติก็เหมือนเด็กที่หลงการ์ตูนแบบนั้นนะคือแล้วเวลาตายแล้วเอาไปอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีตัวเตือนเลยอะ่ะใจไม่มีหลักถ้าใจมีหลักแล้วมันจะคอยมีตัวเตือนเขาเรียกเซฟที่คัตนะตัดก่อนตายเตือนก่อนวัยวอดตอนนี้เรายังไม่มีตัวตัดมีแค่เบรกเกอร์เวลาเจออะไรปุ๊บมันชอ็อตถึงใจเลยไม่มีตัวตัดที่เราฝึกทุกวันนี้ก็เพื่อใ น, นตรงนี้แหละนะนี่ให้เข้าใจว่าวางใจให้ถูก กฎของธรรมชาติเนี่ยในสุภาษิต ท, ท่านก็บอกว่าแล้วเพราะทุกอย่างอ น, นิจจังทั้งนั้นให้ยังคิดถ้าไม่ฝึกให้เห็นลิศอ น, นิจจังจะนั่งเหงาจะเที่ยวบ่นว่าอกเอ๋ยอกเหล่าไม่น่ามัวมาวอนิจจังจีลังกาทุกอย่างอนัตตานั่นหนามันด่าดือ้อมันไม่เคยเชื่อถือถ้อยคำที่่ําขานเราจะว่ากล่าว บ, าบังคับประการใดมันไม่เคยตามใจข้องขัดอนัตตา ทั้นพึงเพียงเพียนขั้นพึงเพียนทําใจว่าเราจะต้องพัดภาคเจาะของรักต้องย้ายยักหมันปงอย่าสงสัยให้รับรู้ตัวเสียก่อนจะได้ไม่ร้อนใจเมื่อค่าวเจอเหตุการณ์อะไรใจจะวังเรารู้ก่อนแล้วว่เาเดี๋ยวมันต้องมีอีกนะเรื่องข้างหน้าวงการพระก็เป็นธรรมดานะท่านยังทำเพื่อต้องการจะละกิเลสไม่ใช่หมดกิเลสแล้วก็ต้องมีเรื่องเป็นธรรมดาใกล้คิดว่าเรื่องของท่านนะกรรมไข่กรรมมัน เราทำกรรมอะไรไว้เราจะได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปแต่ถ้าเราไม่ทำละ่ะเราก็ไม่ได้ไปรับกรรมใช่ไหมนี่ท่านบอกให้อยู่กับรู้สึกตัวนี่แหละมันเป็นแค่กิจยาเฉยเฉยไม่คิดไม่พูดไม่ทำกรรมไม่เกิดนี่ทำยังไงไม่ให้เกิดกรรมก็กลับมารู้สึกตัวแค่นี้เองนะจะพูดกี่ครั้งกี่ร้อยครั้งก็ต้องกลับมารู้สึกตัวทั่วพร้อม ฟามรู้สึกตัวเป็นธรรมสุดล้ำเลิศก่อให้เกิดกุศลผลสดใสอ่ะกุศลทั้งหลายหดหายไปทําอื่นใดหรือจะสู้ฟรามรู้สึกตัวถ้าจะมานิ่งสักสิบนาทียงมก็จะเกิดผิดปกติ ถ, ถ้าภาวนาเป็นก็รู้สึกตัวเอ๊ะอาจารย์ท่านนิ่งไปอาจจะสงสัยเอ๊ะเป็นเพราะอะไรเนี่ยสั้งขามันจะขยับแล้วเนี่แหละมันจะปรุงแต่งแล้นี่การที่อยู่รู้สึกตัวเท่าพร้อมเนี่ยอวิชามันกลัวมากอาวิชาปรตยะสังขารทุกชีวิตไม่เป็นเอกภาพเพราะตกอยู่ใต้อํานาจของความคิดเราฝึกจนฝ่าเราจะอยู่เหนือความคิดเนี่ยการตัดเวรตัดกรรมก็คือการตัดความคิดปรุงแต่ง การหยุดความคิดปรุงแต่งก็คือการหยุดสังสารวัดอย่างนั้นจริงๆนี่ที่จะมาโยงเขาทำป้ายไปติดไว้ไหลไหลป้ายแล้วที่วัดนะเขตปลอดความคิดใครเข้าไปในเขตนั้นนี่ต้องหยุดเลยคือจะให้กลับไปสู่สภาวะเดิมแค่สี่ประโยคนะเขตปลอดความคิดปลอดบุหรี่ห้ามดูดใช่ม ปลอดอาวุธห้ามเขา้าปลอดความคิดได้ไหมเนี่ยรู้สึกตัวทุ่นทุ่นพร้อมเนี่ยเห็นเห็นชื่อป้ายวัดเห็นพุทธรูปจะถามวิทอาจารย์สร้างมาจากไหนสวยจังเลยมันไม่กล้าเพราะเขาลบป้ายป้ายต้องการให้เรากลับไปสู่สภาวะเดิมจิตเดิมที่ไม่ถูกปรุงแต่งนะจิตเดิมทีไม่มีแบ่งแยกหรือเป็นคู่มีแต่ว่างอยู่รู้อยู่เข้าใจไหมที่เกิดอาการต่างๆขึ้นกับจิตนั้นอย่าตื่นไป นั่นเป็นอาการของใจยังไม่ใช่พุทธะจริงจิตเดิมทีก็คือมีแต่ว่างอยู่รู้อยู่แค่นี้ที่มันเกิดเรื่องต่างๆเพราะว่าอาวิชามันพาให้เกิดดีใจน้อยใจเสียใจมันเรื่องของอวิชาทาังนั้นเลยนี่จะมาเขียนหนังสือไว้ว่าจะพิมพ์ออกมาเรื่องอวิชามีเกือบสิบส ม, มวดเป็นสุภาษิตมันเป็นผลงานของอวิชาทังนั้นเลยเราเพียงชำเลืองดูจิตเฉยๆจะได้ไหม ปล่อยให้ธรรมชาตินั้นเขาดําเนินไปส่วนเรามีหน้าที่หายใจเท่านั้นพอทุกสปปรรพสิ่งเขาต้องดําเนินไปเช่นนั้นต้องรู้ให้ทันว่ากฎของมันเป็นเช่นนี้ฟาร์มไม่ต้องคิดนั่นแหละยอดของฟาร์มดีณชั่วโมงนี้ฟามป่าฐานาดีก็ต้องปล่อยวางป่าฐานาดีก็เป็นทุกข์นะ <c oughs> กิเลสเขาเรียกกิเลสสีชมพูนะ ที่เคยเทศให้ฟังว่าหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านนั่งอยู่ท่าเรือท่าพระจันร์ก็รักษาสภาวะเดิมจิตว่างไม่มีอารมณ์ได้สองสามชั่วโมงท่านบอกชั่วโมงแรกผ่านไปฟังเป็นกลางของใจก็อย่างปกติดีอยู่เห็นผู้หญิงเดินสิ่งรอบข้างเสียงดังเออกระทึกกระโมจิตมันก็ไม่หวนไหวก็นิ่งได้เนี่เพราะฝึกมาดีแต่ไปเสียท่าชั่วโมงที่3าท่านบอก ชั่วโมงแรกผ่านไปควมามเป็นการของใจก็ยังปกติดีอยู่ชั่วโมงที่สองผ่านไปความเป็นการของใจก็ยังปกติดีอยู่แต่ชั่วโมงที่สามเนี่ยแหละเผอส่งออกที่ลุงปู่ดุลบอกว่าอย่าทรงจิตออกนอกอย่าให้เสียความรู้สึกคืออวิชามันจัดฉากนะีก็คือตาไปเห็นพระพิสุรูปหนึ่งกำลังจะลงเรือเรือถ้าประจันก็จะออกนักเรียนยืนฝังผู้หญิงสามสี่คน คุยกันไม่สนใจพระพระจะแหวกไปก็ไม่กล้าเดือก็จะออกใช่หมนี้ท่านตาเห็นรูปผู้ิยินท่านน่ะตาได้กระทบรูปจิตมันส่งออกไปปราตรนาดีเห็นเป็นพระพิสุด้วยกันถ้าเป็นค า, า, ารวะเราคงไม่ส่งออกไปนี่กิเลสมันมาในข่าของนักบวชจิตเมื่อตากระทบรูปปึ๊บวิชาตันหาอุปทาน เมื่อวิชาไม่รู้ปุ๊บตันหาเข้ามาเสียบเลยต้องการให้พระลงไม่ต้องการให้ผู้หญิงฝัง่งไม่พอใจผู้หญิงเห็นไหมนี่พวกนี้นี่ทำไมไม่หลบให้พระลงเท่า น, นั้นแหละสติท่านไวท่านกระตัดแล้วมึงไปยุ่งอะไรกับมันนี่ณนะชั่วโมงนี้ฟามปาถนาดีก็ต้องปล่อยวางนี่ขั้ละเอียดแล้วท่านไวก็ได้รู้สุภาษิตพพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> ผู้รู้ท่านได้แต่ดูแต่ผู้เขาชอบเข้าไปแสดงเห็นไหม ถ้าไม่มีประธานก็เป็นคนดูแต่ถ้ามีตัวกูมันจะเข้าไปมีไปเป็นเลยนี่แหละเอาวัดกันตรงนี้ว่าใครจะไหวฟากันที่ฝึกมาณนะชั่วโมงนี้ความปรารถนาดีก็ต้องปล่อยวางเราเบกคขาได้ไหมเห็นก็เป็นศักแต่ว่ า, าวิชาดับสนิทเห็นแล้วคิดจะติดกับดักอวิชามันดักไว้เละหมดเลยทุกขณะ ได้รู้ได้เห็นก็ให้เป็นศัก์แต่ว่าอย่าให้มีตัณหาเข้ามาเสริมคอยระวังรักษาสภาวะจิตเดิมอย่าได้เติมปรุงต่อหยุดก่อกรรมนี่ลุงพ่อนี่เห็นผู้หญิงฝั่งปุ๊บจิตมันไม่พอใจไหมอยากให้พระลงไม่อยากให้ผู้หญิงฝงั่งก็เป็นกรรมแล้วเขาเรียกมโนกรรมขึ้นมาเห็นไหมละเอียดไหมคอยระวังรักษาสภาวะจิตเดิมจิตเดิมที่มันปกติอยู่เมื่อตาไปเห็นปุ๊บ มันผิดปกติแล้วแหละเพราะตัณหามันเข้ามาสิงแล้วนี่มันไวมากมันทำงานไม่ถึงห้าวินาทีที่เราปฏิบัติกันก็เนี่ยก็ตรงเนี้แหละสื่อต่างๆที่เราได้สัมผัสได้เจอได้เห็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็วัดกันว่าเราจะวางอุบเบกขาได้ไวไหมพระอานอนท์เคยถามพระเจ้าว่าการเจริญอินทรีย์ของพระริยเจ้าหมายความว่าอย่างไรพระจกาะพ <c oughs> เจ้าบอกอนอนท์ เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเนี่ยตากระทบรูปปับ๊บมันจะเกิดเวทนาก่อนชอบไม่ชอบนะอวิชชาปัตตยาสังคาราเวแล้วก็เวทนาในกฎของปกิจจะสมุปะบาทท่านบอกไว้ไง เ, เวทนาแล้วก็เป็นตัณหาเวทนามีพระฟ้มเห็นผิดบางทีเรายิ้มมาอยู่เดียวมันก็ปรุงแต่งเรื่องคนทน้นหรือไม่พอใจขึ้นมาคุนใจเนี่ยมันเริ่มทางานแล้วอวิชชา เวทนาแล้วก็ตัณหาการเจริญอินทรีย์ของพระเรยซูเจ้าเนี่ยตากระทบรูปหูได้ยินเสียงสติสมาธิปัญญาที่มันรวมตัวเขาเรียกวอินทรีย์ห้ามันแก่กล้าเนี่ยมันตัดชุบเลยเหมือนเซฟที่คัดอุเบกขาเข้ามาแทนที่นี่ไม่เข้าไปวิตกวิจารณ์เนี่ยท่านเปรียบเหมือนคนตาดีกับพริบตาเนี่ยเราลองกับพริบตามันไหวไหมนี่แหละถ้าฝึกถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยมันตัดชึบเลยแต่เราไม่อย่างนั้นสิ เวลาเกิดอะไรขึ้นมาตาเห็นรูปสวยๆเห็นสิ่งที่ชอบเนี่ยมันมองตาไม่กระพริบเลยเห็นไหมหรือว่าโกรธขึ้นมาก็จ้องตาขมิบเลยจะเอาเรื่องให้ได้เนี่ยมันต่างกันฟ้ากับดินเลยนะถ้าฝึกแล้วท่านบอกเนยเหมือนคนตาดีกระพริบตาเหมือนเราเหยียดแขนออกไปวุบมันดับเลยกระทะที่เราเคยจะทอดไข่อะไรเนี่ยตั้งอยู่บนไฟเอาน้ําหยดไปจึป๊บซึมแวบหายเลยนี่ขั้นนั้นก็คือขั้นอหรหันแล้ว แต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ต้องอาศัยเหตุผลเข้าไปพิจารณาก่อนเมื่อยังตัดไม่ได้เราก็ต้องเพียนเฝ้าดูจิตไปได้เลยเจริญสติสัมผัญญาให้มันแก่กล้าเมื่อเจออุปสรรคและปัญหาเนี่ยมันจะเป็นเครื่องวัดกันถ้าไม่มีเหตุการณ์ต่างๆเราก็ไม่รู้ว่าเราก้าวหน้าไปถึงไหนใช่ไหมล่ะ นิพุนธาษิตทั้งที่บอกว่าเมื่อประสบอุปรสรรคและปัญหาเป็นเครื่องวัสตติปัญญาว่าจะแก้มันได้ไหมถ้าจิตโง่ก็จะแบกปัญหาทุกนั้นต่อไปแต่ถ้าสติปัญญาไหวก็จะไม่วันไหวอะไรไปกับมันนี่นี่ให้ดูที่ผ่านมาวันไหวไหมวันวั น, ว, นวันไหวนานไหมแรกแรกเราฝึกใหม่ใหม่ก็ต้องธรรมดานะล้มลุกคุกขานเป็นธรรมดาเมื่อถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเดินยืนนั่งนอนเนี่ย เราก็รักษาฟารมเป็นกลางของกิตไว้แค่แค่นี้เองกุศลเราก็ทํามาเยอะแล้วลองทอํามหากุศลบ้างก็คืออยู่กับกิริยานเนี่ยแหละเขาเรียกว่ามหาสุญญาตาก็ได้คิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีอกุศลถ้าอยู่เฉยๆตรงนี้เป็นมหากุศลรู้ตัวทั่วพร้อมแต่เราไม่ค่อยเห็นกันมองข้ามสภาวะที่ไม่ถูกปรุงแต่งนะเขาเรียกอสังคตธรรมสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่ ง, ส, ง, ง, ตงสิ่งที่ไม่ถูกปรุงแต่งแสดงอยู่ ผู้ไม่รู้มีมากยากจะเห็นอารมณ์คนยังไม่หมดเหนือกฎเกณฑ์จึงหลงเล่นกับสมมุติไม่หยุดหลงทุกอย่างเป็นสมมติหมดเลยแม้กระทั่งฌานที่หนึ่งถึงที่สี่ก็สมมติคือฌานมันอยู่ในกฎไตายรักอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ที่ปรากฏออกมาสิ่งใดมีารามเกิดขึ้นสิ่งนั้นต้องมีารามดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดไม่มีการเริ่มต้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีการสิ้นสุด สิ่งใดเกิดขึ้นมาไตาลักจับหมดเลยต้องอยู่ในกฎของเขาอันนี้จังทุกขังนัตตานี่จิตเราเนี่ยธรรมชาติตัวเนี้ยถ้าฝึกดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นอมตะธาตาาธุอมาตะธรรมที่อยู่เหนือไตลักที่ไม่เกิดไม่ดับนะดินแดนที่พระรยาเจ้าเขาอยู่กันผู้มีปัญญาเท่านั้นถึงจะอยู่ได้เราก็อยู่ได้เหมือนกันแต่ชั่วข่าวท่านบอกว่านิพพานของคนมีกิเลสคือตอนนอนหลับเมื่อคืนนี้เราหลับสนิทไหมไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีกรุงเทพไม่มีอะไรหมดเลย เป็นพระก็ไม่มีเพราะมันหมดสมุติตื่นขึ้นมาปุ๊บสมุิมันทำงานแล้วนั่นแหละถ้าอุามาได้ดีสภาวะนั้นเหมือนคนนอนหลับแต่ว่ามีธาตุรู้อยู่นะไม่ใช่ว่าหลับเนี่ยมันเป็นโมหะไม่มีตัวรู้ธาตุรู้นี่หลับสนิทเนี่ยเป็นโมหะแต่ถ้าตื่นสนิทเนี่ยเป็นพุทธะตื่นสนิทยังไงก็คือปลอดความคิดเห็นอะไรก็ศัพทว่าไม่ปรุงต่อ เมื่อเห็นอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ปรุงต่อเห็นอะไรก็ไม่ปรุงต่อหนักๆเอาวิชาบอกว่าไอ้นี่ยุไม่ขึ้นเลยคือไม่ไม่สามารถจะมาหลอกและให้ออกไปวิจกวิจารณ์ได้พระบอกาอารมณ์ทั้งหลายจะมาหลอกพระริยาเจ้าไม่ได้ก็ตรงนี้แหละทุกคนมีสิทธิ์เป็นพระริยาอยู่แต่บัู่ที่ว่าจะทําจริงไม่จริงหรือทําถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกแล้วมันก็จะเสียเวลาตะมาศึกษาเซนของท่านพงโปไว้หล่างท่านพูดไว้นึกว่าเขาเขียนผิด เขาบอกว่าผู้ที่บวชเข้ามาแล้วนักปฏิบัติเราเนี่ยถ้าไม่เห็นจิตเดิมเสียเวลาเปล่าป่วยการศึกษ า, าศาสนาอิหมายความว่าไงเขาเขียนผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกก็คือว่าสมมติจะทําทไปทางเก่ากันนัคือทําฌานมีตัวกูผู้กระทาก็ต้องมีตัวกูผู้บรรลุเห็นมหมพระเจ้าบอกไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวเราเขาแล้วเอาตัวกูมาจากไหนมีเรื่องก็พยายามจะแก้ตัวผมไม่ผิดนะอนะไรเงี้ยว่าตัวกูไม่มีแล้วลยไปแก้ทําไมเนี้ยนี่มันละเอียดอ่อนเรื่องนี้นะ นี่ท่านบอกว่าพุทธศ า, า, า, าสนาเป็นของผู้มีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาไปไม่รอดหลวงู่ชาท่านก็พูดว่าบวชมาห้าปีสิบปีเอาจริงๆสักสามเดือนจะได้ไหมสามเดือนที่มันถูกอริยมรรสุูสุญญตาตรงนี้แหละก็ไม่เป็นไร เ, นเราก็ค่ฝึกไปวันนี้เราเป็นต้นหญ้าต้นหญ้าวันหน้าเราเป็นกอไผ่และเริ่มใหญ่ขึ้นไป วันต่อไปจะเป็นต้นสที่ลมเย็นคือเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นะมันค่อยๆขยับขึ้นไปอย่าพึ่งไปดูถูกตัวเองอย่าพึ่งไปว้า เ, เราทําไม่ได้ทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดมันอยู่ที่ว่าใครจะทําถูกหรือไม่ถูกเท่านั้นเองนะอย่างน้อยก็ให้บรรลุเรื่องสินห้าก่อนนะเมื่อสินห้าบรรลุแล้วมันก็ต้องไปเจอนิวรณห้าที่พระศึกกันก็เรื่องนิวรณห้าสังเกตดูที่ทําสติปัฏฐาบอกที่ศึกหนึ่งเรื่องผู้หญิง มันผ่านยากนะกามาลาคะผู้หญิงหลงผู้ชายก็เรื่องรูปผู้ชายหลงผู้หญิงก็ในรูปตรงนี้และนะนะมันผ่านไม่ได้เมื่อผ่านไม่ได้ก็ต้องออกไปในกระแสะของวัฏฏสงสารไปสร้างพบสร้างชาติกันนะคู่กรรมถ้าอยู่คู่แล้วต้องเป็นกรรม น, นะหนังเรื่องคู่กรรมใช่ไหมคู่กรรมถ้าขี้แล้วมันจะแบไม่มีเรื่องเวรย่อระ ง, งับด้วยการไม่จองเวรคือเกิดเรื่องแล้วก็อภัยขอขามาลาโทษกัน นี่ทำมมเจอปัญหาเยอะเลยเขียนว่าเ ว, ยวรย่ระงับด้วยกันไม่รู้จักกันหนึ่งไม่ไปหาไม่ถามถึง <c ười> คือสอง่งจิตออกไปมันก็เป็นคลื่นไปเป็นเรื่องทั้งดีทั้งไม่ดีจะอยู่เฉยๆไม่เป็นกันนะการตัดเวรตัดกรรมก็คือการตัดความความคิดปรุงแต่งหลวงปู่ท่านบอกว่าเพียงเขาหยุดความคิดปรุงแต่งเสียได้เท่านั้นแหละ พุทธะก็มาปรากฏต่อหน้าเขาแล้วเมื่อความคิดดับไปธาตุรู้มันก็มาปรากฏอยู่ไม่ได้หายไปไหนมันอยู่กับเราตลอดแต่เราหามันไม่เจอเองมันไม่ใช่สิ่งเล่นลับเราสามารถพบกับมันได้ในปัจจุบันขณะนี่ขณะนี้รู้สึกตัวทีละขณะนะพอดีหนังสือต้อมาใครเขียนไว้บ้าอรีคพิ์ไว้ห้าพันเล่มมันหมดแล้วชื่เรื่องปัจจุบันธรรมปัจจุบันจิตมันมีกออยู่ในนั้นแล้วก็สเก็ต ทำหัวข้อทําในนั้นมีเยอะนะถ้าสรุปแล้วสั้นๆก็คือนิ่งดับขยับเกิดนิ่งเป็นนิโรธขยับเป็นสมุทัยถ้าความคิดมันโผล่ขึ้นมาอนะมันเป็นเรื่องแล้วหลวงปู่หลวงพ่อท่านถึงเ น, น, น้นว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิทธิยาบทใดอย่าให้จิตมันก่อรูปเป็นความคิดขึ้นมาถ้ามันก่อแล้วมันต้องเป็นเรื่องกุศลอกุศลแต่อยู่เฉยๆเนี่ยมันเป็นมชินมาหัือเป็นมหากุศลหรือมหาสุญญาตาแต่เราไม่รู้จักเมื่อไม่รู้จักก็ต้องทํา กรรมต่อไปทั้งดีทั้งไม่ดีที่วันนี้ก็ได้มาสแสดงธรรมญาโยมก็ให้ตรวจ ด, ดูนะว่ามันเป็นยังไงมัา ง, งที่เราทำมามันถูกไหมตอนเวลาตากระทบรู ป, ปได้ยินเสียงก็แค่นี้เองควนะามทุกข์จะไม่อยู่กับคนฉลาดจำไว้ใครโง่คว า, ามทุกข์ก็อยู่คนนั้นแหละ นี่พูดมาก็ได้เวลาพอสมควรใครจะมีอะไรจะถามไหมนะถามได้ตอบได้เท่าที่รู้นะคําว่าอย่าให้จิตก่อรูปเป็นความคิดเนี่ยก็คือว่าอยู่รู้สึกตัวถ้าถ้าเสียความรู้สึกเมื่อไหร่มันสังขารเอาวิชาปัตยาสังขารามันจะทํางานทันทีเลยหึวงพ่อเทียนถึงได้ให้เน้นครูบาอาจารย์ให้เน้นว่าให้อยู่กับรู้สึกตัวแค่นั้นเอง เมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีคำถามอะไรเลยใช่ไหมมันหมดอ่ะอาวิชาจะไม่ได้ช่องนี่ไอ้สงสัย เ, าเ้าเรียกวิจิกิจฉาลังเดสงสัยก็มีกันทุกคนมันสงสัยไปทุกภูมิมาแหละเพราะมันยังไม่ไม่จบกิจมันก็ต้องสงสัยไปก่อนในทางนี้เรายังไม่เคยเดินใช่ไหมถ้าปฏิบัติไปแล้วมันจะสิ้นสงสัยสอเสือสามตัวนี่ใครมีโอกาส ก็ไปฝึกได้เนะี่ยที่ทับสแกจะมาอยู่ประจวบถ้าเป็นภาษาทสกอทับสแกย่อถ้าแปลเป็นธรรมะก็ทางสายกลางหรือว่าทำสติให้แก่ก้าเนี่ยทศกอนิโยชเขาจะมาเลยไม่ต้องเทศเลยถ้าไปที่วัดประโยชก็เขาทำป้ายติดไว้ทุกมุมเลยที่วัดที่เจดีย์ที่ JD, ทโรงครัวเขตปลอดฟวามคิดนะ ไปก็ให้รู้สึกตัวนี้ไม่รู้จะถามเลยเขาลบป้ายแล้วไม่กล้าถามการที่จะปลอดความคิดหยุดความคิดออกจากความคิดได้มีทางเดียวรู้สึกตัวไป้เยอะแค่นี้เองไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรแล้วไม่ต้องกลัวงโง่ด้วยนะเตสังวูปะสมโอสุโขนั่นบอกฟา ร, ร์มเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นความสุขสังขารตัวนี้คือปรุงแต่งแต่อยา่าบังคับนะไม่ได้เพียงแต่รู้สึกตัวเท่านั้นสังขารก็ให้ใช่ใชใชไหมแต่ว่า เรายังมีเรายังมีอุปทานอยู่มันก็ต้องเป็นเรื่องนี่ขอให้เราฝึกสติมากๆแล้วเนี่ยเราสามารถควบคุมมันได้ความคิดเนี่ยถ้าฝึกไปมากๆเข้าเนี่ยสัญญาความจําสังขารปรุงแต่งมันจะดับเพราะเราอยู่ปัจจุบันแล้วไอ้สองตัวมันไม่ค่อยได้ทำงานอาวิชามันจะอาศัยสองตัวนี้ทํางานสัญญาแปลว่าความจําสังขารแปลว่าปรุงแต่งจํามาปรุงถ้าเราอยู่ปัจจุบันแล้วมันไม่ทํางานตรงนี้แหละอาวิชามันกลัวมาก คมรู้สึกตัวอวิชามันกลัวหลายนะวันนี้เทศมาก็เป็นเวลาพอสมควรก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาโยมทุกคนรู้แจ้งเห็นธรรมในชาติปัจจุบันนี้เทิน